เอาให้เข้าใจโดยง่ายครับโลกนี้คือความทุกข์ที่คนเขาเฝ้าปั้นให้เป็นสุขยิ่งพยายามจะปั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ในจะสุขก็เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะสุขเป็นองค์ประกอบที่บิดเบี้มาจึงเป็นสุขแห่งความทุกข์เท่านั้นเรี๋สุขในทุกข์เท่า น, นั้นนะ มันมีแต่วิธีเราจะออกจากทุกข์ได้ก็คือคืนสุขในทุกนั้นให้กับทุกเสียแล้วออกจากทุกข์จึงจะพ้นทุกข์ในวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ต้องยอมรับก่อนว่ามันทุกข์จะยอมรับอยู่นี่ไงค่ะอาจารย์เป็นนี่ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะพ่อแม่ก็ยอมรับว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่สังเกตเข้าไปที่ใจดีๆในเวลาที่สงบคุณไม่ได้ยอมรับ คุณอยากให้ลูกดีขึ้นคุณอยากให้พ่อแม่แม่ดีขึ้นคุณอยากให้ความสัมพันธ์ที่คุณมีเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณอยากให้นี่หายไปมีเงินกลับมามากขึ้นคุณอยากและความอยากเป็นทุกข์ในตัวเองเห็นได้ไม่ต้องรีบยอมรับไม่จำเป็นต้องรีบยอมรับนูนออกฟัรษาค่อยไปยอมรับก็ได้ แต่เห็นมันจะสะสมพิละน้อยทีน้อยทีน้อยสะสมสะสมสะสมสะ ส, ส, ส, ส, ส, ส, สมไปวันหนึ่งปรากฏการเหงาออกปรากฏการที่เหมือนสมน้ำแล้วผุดขึ้นจากน้ำปรากฏการที่หัวใจตกวู้ลงไปในเหวจะเกิดขึ้นปรากฏการนั้นเกิดขึ้นอะไรนั่นลหละการเห็นทุกตรงตามความเป็นจริงที่กายกับใจประสานกันและยอมรับมันประสานกันจนมัน ร่างกายมันไม่สามารถตัดิเสธการกำมรับได้แต่คิดเอาเนี่ยร่างกายไม่เป็นไรไม่มีภาวะสะท้อนทางไบโอทางไบไบโอแมทริกต่างๆซึ่งเป็นตัวชีวะทางด้านชีววิทยาต่างๆไ ม, ไม่เกิดขึ้นไม่แรงพอที่จะกระแทกไบโอมาเกอร์ er ให้เกิดขึ้นได้นะครับ